ท่านฟังกำลังฟังรายการสันสนีสนธนาดิฉันสันสนีนาคพงค่ะหลังจากที่ฟังพระสูตรที่ท่านมาร์คชาคาวโรได้นำเอามาอ่านให้ฟังแล้วก็ขยายความแล้วมาถึงตอนนี้จะเป็นการที่อ่านพุทธประวัติจากพระโอร์เรื่องที่ทรงบำเพ็ญบารมีในพระชาติก่อนมาเป็นพระพุทธเจ้าต่อค่ะตรัดแก่ภิกษุที่เชตวันนะคะว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้ละเว้นวาจาส่อเสียดคือพูดยุให้เขาแตกกันคือไม่ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายข้างนี้ไม่ฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายข้างโน้นแต่เป็นผู้ที่สมานพวกที่แตกกันแล้วให้กลับคืนดีกันและส่งเสริมพวกที่พร้อมเพรียงกันได้เป็นผู้ละเว้นการกล่าวคำหยาบ กล่าวแต่ว่าจะไม่มีโทษเป็นสุขแก่หูเป็นที่ตั้งแห่งความรักซึมซาบถึงใจเป็นคําพูดของชาวเมืองเป็นที่พอใจและชอบใจของชนเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้ล้วเว้นการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้กล่าวควรแก่เวลากล่าวคาจริงกล่าวเป็นธรรมกล่าวมีอัดกล่าวเป็นระเบียบกล่าวมีที่ตั้งมีหลักฐาน มีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์ได้เป็นผู้ละมิจชาชีพมีการเลี้ยงชีพชอบเว้นจากการช่อโกงหลอกลวงคดโกงด้วยเครื่องช่างเครื่องตวงเครื่องวัดเว้นจากการตัดการฆ่าการผูกมัดการทำร้ายการปล้นการกันโชคเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นการบําเพ็ญบา ร, รมีของพระพุทธองค์ ในบุระพระชาติหรือว่าในชาติก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งวันนี้เรื่องส่วนใหญ่นี้จะเน้นทางด้านของคําพูดนะคะพูดยุให้เข้าแตกกันก็ทรงละเว้นไม่เป็นผู้ที่ส่อเสียดคือฟังจากข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายข้างนี้ฟังจากข้างนี้ไปบอกข้างโน้นแต่เป็นผู้ที่สมานคนที่แตกกันให้กลับคืนดีกันส่งเสริมความพร้อมเพรียงไม่กล่าวคําหยาบ ไม่กล่าวคำที่มีโทษกล่าวแต่คำที่เป็นสุขแกห่หูเป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่พูดเพ้อเจ้อกล่าวควรแก่เวลาคือกล่าวถูกกาลเทศะนะคะพูดในเรื่องจริงพูดในเรื่องที่เป็นธรรมพูดมีหลักมีฐานพูดมีประโยชน์เป็นพูดที่ไม่เลี้ยงชีพผิดผิด ไม่โกงใครมีการลงรายละเอียดด้วยนะคะว่าหลอกลวงคดโกงด้วยเครื่องช่างเครื่องตวงเครื่องวัดโอ้แม่ค้านี่ต้องตั้งเครื่องช่างทุกวันเลยนะคะเพราะว่านิ่งมีความตั้งใจจะสร้างบา ร, รมีแล้วเนี่ยก็ถึงแม้จะเป็นเรื่องของไม่เจตนาจะไม่มีโทษแต่ก็ต้องต้องอย่าละเลยค่ะท่านฟังคะ่ะวันนี้รายการสรสนส น, ส น, นาก็ต้องบอกว่าเป็นวันศุกร์นะคะ จึงจะต้องนัดสําหรับผู้ที่ฟังกันหม่ว่าเสาร์อาทิตย์ไม่มีฟังทีนึงก็วันจันทร์หน้าแล้วก็ในห่วงเวลานี้วันหยุดมีเวลาก็ทบทวนธรรมะก็ได้นะคะเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นบอกว่าทำเนี่ยเรารู้รู้เรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็นําออกมาใคร้ครวนนาออกมาทบทวนก็จะทำให้เกิดประโยชน์คือน้อมนาไปสู่การประพฤติปฏิบัตินั่นเอง ส่วนบางคนบอกว่าอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นอ่ต้องอ่านคำพระพุทธเจ้าค่ะพุทธวัตรฉบับเก้าแยกอย่างพุทธะที่หมายเลข0 2 2 6 9 0 0งและ0 2 2 6 9 0 0 6สส่วนรายการของเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ดิฉันสันสนีนาคพงษ์ลาท่านฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ